เมกาเป็นไทยรวมหนึ่งชาติจะไปเป็นประชารัฐ ดีสละน้ำ FM 90.25 MHz สวัสดี อันทชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพล 9 ปี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 แบ่งฝั่งแบ่งฝ่าย 22 ให้เค้าพูดคุยกันให้ได้ก่อนทหารจะทํา กลุ่มมามาทั้งการเมือง รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมานะครับก็จะ เพื่ออำนวยความๆอย่างบันเทิงให้เขาได้คลายเค้าได้ลดความกด ไม่มีข้อยุติข้อยุติไม 2 โน่น 2 ขอเป็นคนโปรดจงรอได้ไหม คืนกลับมาเถิดเราจะทำอย่างสู้ดงอย่างขอทอเธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้ทาประชาชน วันที่ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจละองค์หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีต่อ 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ กอง 2 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม่วน น. ถึง น. ๆ รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติ เน่ำรัก สวัสดีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการท่านคืนความสุขให้แผ่นดินฟังขอต้อน SM 97.25 mhz รับหน้า 20 จังหวัด รายการอีสานมวล 15 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 ซึ่ง 2ๆ จะเป็นใครไปได้นอกจากท่าน 20 จังหวัด ดิกราบรัฐประธานครับค่ะท่านผู้ว่าคะจากเดือน ก็ของดีจังหวัดจากคล้ายๆ ของผู้พานนะครับส่วนแหล่งโบราณคดีบ้านขุดขวางส้อยนั้น เครื่องมือเหล็กลูกปัดแก้ว 1 คือสถานที่ 2 ก็คือสถาน ให้เป็นเช่นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านกดคอ ซึ่งจะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์<ใช> 5 เมตรประกอบด้วยลวดลาย 2 บริเวณท่าม้าบนจะ ภาพสัตว์ที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ที่ 2 3, ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 2 พิพิธภัณฑ์หลวง ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าอภิรัชกิติยาภาทรงจัดสร้างพระพุทธรัตนเอกโคมนประดิษฐานปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสถานที่ นิทรรศการหอยหินโบราณอยู่พื้นที่บ้าน<ใช> 8 จุดมีให้ชม น้ำตกเป็นสารที่พักก่อนโตเป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งอุดมด้วยไม้<ใช> และจะบอกได้ว่าจำลองประจำฟาร์มโชคชัยฝั่งช่องก็ว่า ในเขต 2 อำเภอคืออำเภอเมือง 3 ซึ่งเชิญชวน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศาลหลักเมืองศาลพวพตาวัดวาราม 2043 ตั้ง 3 ยิน จนพี่น้องชายหนองค่ะนั่นก็เป็น ให้ผู้ฟังได้รับทราบถึง 25 มีทลาคม เรา 1 เรก็คือการสร้าง 11 แนวทางซึ่งได้ 15 กรกฎาคม 2557 คือ ผม าน, 11 คณะ 6 อำเภอก็จะร่วมกันนำเสนอและอดีต สวสส. กลุ่มธุรกิจเอกชนประกอบด้วย แกน 600 คนจัดณห้องประชุมอนันต์โย ให้เป็นไปตามความต้องการของ ตามที่ผมและคณะอํานวยการส่วนระดับจังหวัด ในพวกเราคิดว่าค่ะทั้ง สร้างความใกล้ชิดแล้วก็ศรัทธารวม Fix It Center ประจำปีงบ ของมหาวิทยาลัยนครปฐมเพื่อชุมชน Fix It Center นั้น 2 ครั้ง <Okay. S> 1, คร 1 24น น, าง, คร 200 คนค่ะ 2 เมื่อ <Okay. S 1> 29 โครงการบําบัด 3ณกองร้อย อสจ. 1, 1 นะครับอําเภอ 63 คนจากพื้นที่ทั้ง 6 อําเภอเพื่อให้ผู้ที่หลงผิดนั้นกลับคืนมาเป็นคน 57 นะ หลังจากเปิดโครงการบำบัดนี้เสร็จและที่ 64 และ 66/57 เขาเรียนว่าเรียนว่าผม เพื่อแก้ไขปัญหาการในวันที่ 26 มิถุนายนนะครับ 2,600 แผ่น 60 36 0.5 ลูก 3.5 1, ร, 3, บ, า, 1. นน60 แผ่น 1.74 บาท อำเภอนนท์สังก็ได้ตรวจยึดไม้ 4 คนซึ่งตรวจปัสสาวะแล้วนะ 26 นะครับได้หมายจํานวน 60 กว่าไร่แล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้นั้นเราไม่ได้มี รายงานผลให้จังหวัดทราบทั่วระยะณช่วงนี้นะรายเวรพื้น ร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่นผู้ๆที่ดําเนินการ ที่ต้องดําเนินการต่อไปก็คือการคืน 17-21 กรกฎาคมณลาน เนื่องกันนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเช่นเพลงสร้าง กิจกรรมนี้มีเยอะมากๆตั้งเป้าหมายครับนอกจาก ว่าจํากัดหมู่ภูเช่นประเทศประชัญญูกันทุกคนทุกฝ่ายมีหน้าที่ขอย้ํา ของสห maximum สามัคคีมีเป้าหมายร่วมกัน ในโอกาสเมื่อ 30 ตุลาคม 2508 เรื่องความสามัคคีไว้ว่า สุดท้ายนี้ต้องทั้ง 20 จังหวัดนะครับพี่น้องพนักงานรัฐสกิจ รัฐส่งเมตาป้องคมของชาว 20 จังหวัดภาค โอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ 2 ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการ สวัสดีครับ โปรติตามฟังรายการเวลา 8 น. ถึง 8:30 น. น. ฟังเรื่อง พันธุ์ดินจะดีไหนไม่ชา FM 90.25 MHz สวท. นคร